พระมหาโมคลานะกับโกศยเศรษฐีฝ่ายพระมหาโมคลานะซึ่งได้รับการยกย่องจากพระศาสดาและเป็นที่ยอมรับในหมู่พุทธบริษัทว่าเลิดทางมีฤทธิ์ไม่มีใครเสมอเหมือนนั้นได้กล่าวถึงประวัติของท่านไว้คู่กับพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรบ้างแล้วในเบื้องตน้นในที่นี้จะนำะเรื่องที่ท่านพระมหาโมคลาะได้ใช้ฤทธิ์ของท่าน ให้เป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาสู่การฟังพอไปเครื่องบันเทิงจิตและเพื่อสร้างแนวความคิดในทางที่ถูกว่าฤทธนั้นมีจริงเป็นจริงและเป็นผลพลอยได้ของการเจริญสมาธิภาวนาเป็นอนุภาพของจิตซึ่งได้รับการฝึกดีแล้วซึ่งมีอยู่เหนือสามัญชนเป็นอันมากฤทธนั้นมีประโยชน์เป็นอันมากในการฝึกคนที่ฝึกได้ยากมีทิฏฐิจัด หรือมีอาสวะหนาแน่นให้คลายลงเสียก่อนเพื่อสะดวกแก่การสอนทรรอละเอียดลุ่มลึกต่อไปเช่นเรื่องของโกศยะเศรษฐีไม่ไกลจากกรุงราชคลืาาค่นักมีนิคมหนึ่งชื่อว่าสักระในนิคมนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์ถึง80สบโกศแต่เศรษฐีมีนิสัยเถื่นีมากไม่ปราถนาสงเคราะใครแม้น้ามันสักหยดหนึ่งก็ไม่ให้ใครเปล่า นอกจากไม่สงเคราะห์คนอื่นแล้วยังไม่สงเคราะห์ตนเองอีกด้วยไม่ใช้ทรัพย์เพื่อความสุขของตนทรัพย์สมบัติของเขาจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยเขามีความพอใจด้วยการมองดูทรัพย์สินที่เพิ่มบูนขึ้นเหมือนมดแดงเฝ้าหัวงแหนมาม่วงฉะนั้นวันหนึ่งโกสิยะเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาตอนกลับจากที่เฝ้าเขาพบชาวบ้านที่ยากจนคนหนึ่ง กำลังกินขนมเบื้องอย่างอร่อยอร่อยเพราะความหิวบีบคั้นมานานเศรษฐีก็อยากกินบ้างแต่ว่าเสดายทรัพย์สินจะบอกพัญญาว่าอยากกินขนมเบื้องก็ไม่กล้าเพราะเกรงว่าถ้าหากได้ยินถึงหูคนอื่นแล้วก็จะพากันอยากกินบ้างจะบอกให้พัญญาทำให้กินก็เกรงว่าคนอื่นจะกินด้วยเพราะถ้าเป็นดังนั้นก็จะหมดเปลืองเป็นอันมากหมดเปลืองเข้าสาร งาเหยใสยน้ำอ้อยเป็นต้นเขากลั้นความอยากนั้นไวความทุกข์เพราะความอยากบีบคั้นเรนื่องๆจนร่างกายผายผอมลงมีตัวสะพร่างโดยเอ็นเมื่อไม่อาจทนได้ต่อไปจึงเข้าห้องนอนด้วยความพระถมทุกข์ดูเถิดดูเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากถึงแ0สิบโกดแต่ว่ากลายเป็นคนยากจนแม้ขนมเมืองก็ไม่อาจจะกินได้ เพราะความตระหนี่บีบคั้นครอบงำหัวใจคนตระหนี่นั้นแม้ว่าจะมีทรัพย์ก็สเสมือนคนยากจนเหมือนน้ำทะเลแม้จะมีมากก็อาศัยบริโภคไม่ได้ส่วนทรัพย์ของคนดีแม้มีน้อยก็พลอยได้เป็นที่พึ่งเหมือนน้ำบ่อพออาศัยอาบดื่มให้เป็นสุขได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศนว่า ทรัพย์ของคนพานของสอัตตบตรบุษไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใคร ๆ, ๆรวมทั้งตัวของเขาเองด้วยเหมือนสระโบกกรณีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์ซึ่งแม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมก็ตามมาหาชนก็หาได้อาบได้ดื่มไม่น้ำนั้นตั้งอยู่อย่างไร้ประโยชน์แต่คนดีมีทรัพย์แล้วย่อมทำนุบารุงตน ทรรุบำรุงมารดาพิดาบุตรพัญญาเบาไพรให้เป็นสุขบำรุงสมณพรามณาจารย์ให้เป็นสุขซึ่งเปรียบได้เสมือนกับสระโบกกรณีอันตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมาหาชนย่อมได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภคาของเขาหาสิ้นไปโดยไร้ประโยชน์ไม่คนจนนั้นมีอยู่สองประเภทคือประเภทหนึ่งมีเท่าไรไม่รู้จะพอ อีกประเภทหนึ่งมีน้อยจนไม่เพียงพอกับความจำเป็นของชีวิตแต่มีอยู่จํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้กาหนดขอบเขตแห่งสิ่งที่จําเป็นของตนไว้จึงดูเสมือนหนึ่งว่าอะไรอะไรก็จําเป็นไปหมดกลายเป็นคนกระหายอยู่ตลอดเวลาดังที่พระตปาคะผู้เลิศทางศรัทธาของพระาศาสดาได้กล่าวไว้ว่าสัตวโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อ จึงตกเป็นาธาตุของตันหาพัญญาของเศรษฐีเป็นคนมีอัธยาศัยดีใจคอกว้างขวางเห็นเศรษฐีนอนบนเตียงด้วยอาการท้อถอนฉะนั้นจึงถามว่าท่านไม่สบายเป็นอะไรไปหรือสุดท้ายเศรษฐีให้ปัญญาทราบความประสงค์ที่ตนเองอยากจะกินขนมเบื้องแต่เกรงการสิ้นเปลืองพัญญาทําขนมเบื้องให้ เพียงพอแก่เศรษฐีเพียงคนเดียวเท่านั้นปัจจุสการใกล้รุ่งวันเดียวกันนั่นเองพระผู้มีพระภาคผู้อนุเคราะห์โลกออกจากมหาสมาบัติทรงแผ่ขายคือพระยานออกสำรวจ ด, ดูหมู่สั ต, ตวโลกในโลกธาตุผู้มีอุปนิสัยสมควรแก่การบรรลุมรรคผลด้วยพระมหากรุณาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของเศรษฐีพร้อมทางพัญญาณกรุงราชฤท์ลแล้ว ตรัสเรียกพระมหาโมคคลานะมาเฝ้าทรงเล่าเรื่องของเศรษฐีโกศยะให้พระสาวกผู้เลิศทางฤทิ์ทราบแต่โดยย่ อ, อแล้วตรัสว่าโมคคลานะเศรษฐีพร้อมปัญญาเป็นผู้มีอบปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาจะเสื่อมจากอริยคุณอันจะพึงได้ในชาตินี้โมคคลานะเธอจงไปปราบเศรษฐีให้สิ้นประโยชน์แล้วให้นาขนมเบื้องน้านม เนยใสน้ำพึ่งน้ำอ้อยมาอย่างเชตวันวิหารด้วยกำลังลิศของเธอวันนี้เราพร้อมยิสุสงห้าร้อยรูปจะนั่งคอยทำพัตกิจด้วยขนมนั้นเท่านั้นพระมหาเถระรับพุทธบัญชาแล้วเดินทางไปสักฤติคมใกล้เมืองราชเกลืซึ่งถ้าเดินทางอย่างคนธรรมดาก็จะใช้เวลาแรมเดือนเพราะไกลามากถึง45้าโย แต่พระเถระไปด้วยกําลังฤทธิ์เพียงคู่เดียวเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้าเยือนอยู่ที่หน้าต่างแห่งปราสาทชั้นที่เจ็เมื่อได้มองไปเห็นพระเถระดวงใจของเศรษฐีสั่นสะท้านด้วยความตนกใจระคุนด้วยความตรณีเขาคิดว่าเราอุตส่าห์มาทอดขนมเบื้องบนปราสาทชั้นที่เจ็ก็เพราะกลัวคนทั้งหลายจะเห็นจะขอกินรวมทั้งคนประเภทนี้ด้วย สมณะนี้เมื่อยืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างแล้วเราจะทำอย่างไรดีเมื่อมองไม่เห็นสิ่งใดที่ตนจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อไล่พระเทระได้จึงทำเสียงพึมพำอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าสมณะท่านยืนอยู่ในอากาศตรงช่องหน้าต่างจะได้อะไรถึงท่านจะเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาในอากาศก็จะไม่ได้อะไรจากข้าพเจ้าพระเทระเดินจงกรมในอากาศสมณะ ท่านเดินจงกรมในอากาศจะได้อะไรแม้ท่านนั่งคูบาลังนั่งขัดสมาธิในอากาศก็จะไม่ได้อะไรเช่นกันพระเทระนั่งคูบาลังสมณะท่านนั่งคูบาลังท่านจะได้อะไรแม้ท่านจะมายืนอยู่ที่กรอบหน้าต่างท่านก็จะไม่ได้อะไรพระเทระมายืนที่กรอบหน้าต <ER> ่างสมณะท่านยืนที่กรอบหน้าต่างจะได้อะไรแม้ท่านจะบังขนควันก็จะไม่ได้อะไร พระเถระบางหวนควันขณะนั้นควันที่พระเถระบางหวนนั้นได้ออกมาแผ่กระจายคลุมปราสาสตของเศรษฐีทั้งหมดเศรษฐีแสบตาเหมือนคนเอาเข็มมาแทงไม่กล้าพูดว่าถึงท่านจะให้ไฟลุกโผลงขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟจะไหม้ปราสาทขณะนั้นเขาคิดว่าสมณะนี้ทนทานเหลือเกินไม่ได้อะไรอะไรคงไม่ยอมไปเป็นแน่แท้ เราควรถวายขนมให้ท่านสักหน่อยหนึ่งดังนี้แล้วจึงได้กล่าวกับพัญญาว่าทอดขนมชิ้นเล็กๆสักชิ้นหนึ่งให้สมณะนี้จะได้ไปเสถียพัญญาเสตีหยอดแป้งลงไปนิดเดียวแต่ขนมกลายเป็นชิ้นใหญ่มากขึ้นมากขึ้นทุกทีจนเต็มถาดเสตีเห็นดังนั้นคิดว่าเชอร้อยว่านางจะใส่แป้งมากเกินไปจึงได้ตักแป้งหน่อยหนึ่งด้วยมุมทพีตักเอง แล้วก็หยอดลงไปใหม่ขนมได้ใหญ่กว่าชิ้นเดิมแม้เศรษฐีจะทำอย่างนี้อีกหลายครั้งก็มีผลออกมาเช่นเดิมจึงกล่าวกับพัญญาว่าขอให้ให้ขนมแก่สมณะสักชิ้นหนึ่งนางจึงนำขนมที่ทอดเสร็จแล้วจากกระเช้าแต่ว่าขนมในกระเช้าเกิดติดกันแน่นทั้งหมดแยกเท่าไรก็ไม่ออกเศรษฐีเองพยายามแยกเท่าไรก็แยกไม่ออก ทั้งสองช่วยกันดึงเท่าไรก็ไม่ออกเศรษฐีและพรยาพยายามดึงขนมจนเหงื่อโทรมกายความหิวก็หายไปเศรษฐีกล่าวกับพัญญาว่าฉันไม่ต้องการขนมแล้วจงให้แก่สมณะนี้ทั้งหมดเดถิดพัญญาเศรษฐีถือกระชาวขนมเข้าไปหาพระเถระเพื่อถวาย ครรสาวกฝ่ายซ้ายผู้เลิศดิลิศได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งสองฟังถึงคุณของพระลัตนตรยและผลของทานเป็นต้นโดยในยะดังนี้นาเชิงหิมาลัยบรรพตมีแคว้นหนึ่งนามส ก, กะพระราชาผู้ครองแฟ้นคือพระเจ้าสุโธธนะพระอัครมเหสีแห่งพระราชานั้นพระนามสิริมหามมายาพระนางประสูตรพระราชโอรสพระนามสิทธท พระสิทธะราชกุมารได้ทรงมีดวงตาคือปัญญามองเห็นทุกข์ของโลกจึงทรงสะละโลกียสุขทั้งมวลออกแสวงหาธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์เมื่อพระชนมายุเพียง29บ้าพรรษาทรงทำความเพียรอย่างไม่ย่อท้อทรงทำความเพียรอย่างยอดเยี่ยมอยู่6ปีจนพระชนาศสาได้ส5สหจึงบรรลุอรุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ต่อจากนั้นอาศัยพระมหากรุณาอันเปี่ยมอยู่ในพระหฤทัยจึงเที่ยวสั่งสอนเวณยศัตว์ให้ตั้งอยู่ในความดีให้ละเว้นความเห็นแก่ตัวหรือสแสวงหาความสุขเฉพาะตนแล้วเบ็ดเปลี่ยนผู้อื่นทรงสอนให้มนุษย์เอื้อเฟื้อต่อกันและกันช่วยเหลือกันมีจิตปราศจากการจองเวนให้มีเมตตาปราณีต่อกันคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรม ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมย่อมปลอดจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่น มีผู้เลื่อมใสในคาสั่งสอนของพระศาสดาพระองค์นั้นจะสละทรัพย์สมบัติในโลกยศ อ, ขขอื่นๆออกบวชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้รับรสพระธรรมมีความสุขสงบเย็นอย่างยิ่งเป็นพยานในคำสอนของพระภูมิพระภาคว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลจริงแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามท่านเหล่านี้เรียกว่าพระสงฆ์ ทั้งสามอย่างเรียกว่าพระรัตนไตรดูก่อนโกศยะชาวโลกมืดอยู่ในโมหะคือความหลงไม่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเหมือนคนไร้จักสุขหรือเหมือนคนที่มีจกักษุแต่ว่าเดินอยู่ในความมืดไม่เห็นอันตรายแม้ตั้งอยู่เฉพาะหน้าแต่ได้อาศัยพระรัตนไตรจึงได้พบแสงสว่าง และสามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงดูก่อนโกศิยะชาวโลกเล่าร้อนอยู่ด้วยโทสะความเดือดด้ลนแค้นเคืองประทุษรลายกันเพราะความร้อนอานเกิดขึ้นในจิตของตนจึงแพรความร้อนให้กระจายไปยังมนุษย์และสัตว์อื่นมนุษย์เป็นจุดศูนย์รวมของความเล่าร้อนหรือความสงบเย็นของโลกในที่ใดใจของมนุษย์เล่าร้อนอยู่ด้วยโทสะในที่นั้น สัตว์โลกอื่นๆก็พลอยถูกเปลี่ยนไปด้วยในที่ใดจิตของมนุษย์สงบเยือกเย็นอยู่ด้วยเมตตาในที่นั้นสัตว์ทั้งหลายอื่นก็พลอยได้รับความร่มเย็นไปด้วยสัตว์โลกทั้งหลายได้อาศัยพระรัตนตรัยแล้วสามารถดับความเร่าร้อนกระวนกระวายในดวงจิตเสียได้ดูก่อนโกเสียชาวโลกมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสมัวเมาอยู่ในลาบยศ สรรเสริญและความสุขอนเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นเป็นโลกิยธรรมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ลงท้ายด้ทุกข์สัตว์ทั้งหลายผู้มัวเมาอยู่ไม่รู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงจมอยู่หมกมุ่นอยู่เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนไปตามธรรมดาของสิ่งที่ประกอบขึ้นโดยเหตุปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ก็เล่าร้อนเหมือนถูกลูกสอนแทงต้องเศร้าโศกเสียใจพี่ลอยลาพันธ์ครับแขนใจดูก่อนโกเซียอาศัยพ ร, รารัลตายแล้วชาวโลกได้คลายความเมาลงกลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยปัญญามีปัญญาในการถอนตนออกไม่หมกมุ่นติดอยู่จมอยู่ดูก่อนโกเซีย สัตว์โลกได้รับความเดือดร้อนลำบากเป็นหนักหนาด้วยราคะโทสะและโมหะอันใดเมื่อสามารถทําลายเสียได้ซึ่งราคะโทสะและโมหะอ น, นั้นสัตว์โลกก็พ้นจากความลำบากยากเห็นปลอดโปร่งเยือกเย็นไม่มีความขัดข้องภายในทั้งนี้ก็โดยอาศัยคุณของพระรรมไตรเป็นประทีปสองทางดูก่อนโกเซียบุคคลบางพวกมีความเห็นว่า ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการควบคุมตนเองไม่มีผลดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้ทานแก่คนทั้งหลายเรื่องทานเป็นเรื่องที่คนฉลาดปัญญตัตึ้นเพื่อหลอกคนโง่การบูชาเป็นความงมงายอย่างร้ายกาศไม่มีผลอะไรส่วนการควบคุมตนเองเล่าก็เป็นการฝืนความปรารถนาของตนโดยไม่มีผลตอบแทนอันคุ้มกัน ผู้มีความเชื่อช น, นีดไม่ให้ทานไม่ทำการบูชาสิ่งที่ควรบูชาหรือบุคคลอันตนควรบูชาไม่มีการควบคุมตนเองตนมีความปรารถนาอย่างใดย่อมทำอย่างนั้นไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใดถือเอาการสำเร็จความสมปรารถนาของตนเป็นที่ตั้งแต่พระาศาสดาของข้าพเจ้าคือพระศากยมุนีตรัสว่าทานมีผลการบูชามีผล การควบคุมตนเองเป็นหน้าที่สําคัญของมนุษย์เพราะอันนี้แหละที่ทาให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ดิรัจฉานทั่วไปดูก่อนโกสิยะบุคคลในโลกอยู่รวมกันย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันและกันคนยากจนช่วยเหลือคนมั่งมีด้วยกําลังกายคนมั่งมีอนุเคราะห์เกื้อกูลคนยากจนด้วยกําลังทรัพย์ คนยากจนให้กำลังใจแก่คนที่มั่งมีด้วยการทำการงานที่ดีให้คนมั่งมีถนอมน้ำใจคนยากจนด้วยปิยวาจาทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยซึ่งกันและกันด้วยการประเพณประโยชน์ให้แก่กันและกันไม่เอาเปรียบกันและวางตนเหมาะสมแก่ฐานะของตอน ดูก่อนโกศิยะหลักธรรมทั้งสี่ประการนักกล่าวมานี่การสงเคราะห์ช่วยเหลือกันหนึ่งการพูดวาจาไพเราะยังใจของกันและกันให้เอิบอาบหนึ่งการบำเพ็ญประโยชน์ให้กันหนึ่งและการวางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนของตนหนึ่งพระศาสดาของข้าพเจ้าทรงเรียกว่าสังฆะวัตถุหรือทำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนเปล่าหรือลิมสลัก ที่ยึดเนียวรถให้ทำงานของมันไปได้แล่นไปได้สู่จุดหมายปลายทางพระเทระยังเศรษฐีและภระยาให้สมาทานอาฐานว่าเริงในกุศลธรรมด้วยประการศชนีแล้วเศรษฐีและภระยามอบลงแทบเท้าของพระมหาเถระผู้เลิศด้วยฤทธิ์และกล่าวว่านานเหลือเกินท่านผู้เจริญนานเหลือเกินกว่าท่านจะมาโปรดเกือบช้าไป วัยของข้าพเจ้าทั้งสองก็ล่วงไปมากแล้วจนป่านี้ยังไม่เคยได้สดับธรรมของสัตบุรุษธรรมากถาของท่านแจมแจ้งชัดเจนเข้าอกเข้าใจดีมากเศรษฐีและภระยากล่าวปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระรัตนตรัยแล้วน้อมกระช้าขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่านิมนต์ฉันเถิดพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายด้วยศรัทธาพระมหาเถร่ากล่าวว่า ท่านเศรษฐีบัตรนี้พระาศาสดาพร้อมด้วยพิษุสงฆ์ห้าร้อยรูปนั่งรอคอยเพื่อฉันขนมของท่านอยู่ก็พระาศาสดาประทับอยู่ที่ใดเล่าท่านผู้เจริญพระาศาสดาประทับอยู่ณนะเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีไกลจากที่นี่ไปสี่สิบห้าโยชน์พระขุนเจ้าหนทางมันไกลเหลือเกินจะไปให้ทันเสวยได้อย่างไรท่านเศรษฐี เรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของอัตมาเองท่านเตรียมตัวเถิดท่านและพระยาจะถึงเชตวันทันเวลาว่าแล้วพระเทระก็เข้าฌานซึ่งมีปทวีกสินเป็นอารมณ์ยนแผ่นดินให้ใกล้เข้ามาจึงสามารถถึงนครสาวัตถีได้เพียงครู่เดียวเร็วกว่าเวลาที่ลงจากปราสาทชั้นบนมาอย่างชั้นล่างเศรษฐีและพัญญาเข้าเฝ้าพระศาสดาน้อมขนมเข้าไปถวาย ภิกษุทั้งหลายทั้งห้าร้อยฉันจนอิ่มหนำขนมก็หาหมดไปไห่ให้คนที่อาศัยวัดกินอีกขนมก็ยังไม่หมดยังเหลืออีกมากพระาศาสดาจึงรับสั่งให้เจ้าของขนมนำไปทิ้งเสียที่ใกล้ประตูวัดเฉตตะวันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาได้ทำมีกาถาให้เศรษฐีและภระยาอาถรรพ์พระเริงในธรรมสัมมาปฏิบัต ท่านทั้งสองส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปติผลหมุนชีวิตเข้าสู่กระแสธรรมอันมั่งคั่งยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงเขาทั้งสองได้มองเห็นชีวิตใหม่อันสะอาดสว่างและสงบเยือกเยเ็นเกินเปรียบเมื่อหัวละลึกถึงความเป็นอยู่แต่เก่าก่อนอันตนเคยกรยิมยิ้มย่องนักนั้นช่างมืดมนไร้สาระสนิกระไรความสุขอย่างเก่านะเล่า ก็เหมือนความสุขของคนขอทานที่เบิกบานร่าเริงเมื่อของเงินคนอื่นได้จะเทียบกับความสุขเวลานี้ซึ่งเสมือนกับความสุขของเศรษฐีได้อย่างไรดูก่อนพระราชาเรื่องนี้พระบรมศาสดามีพระประสงค์จะทรงแสดงอิทิปาติหารซึ่งพระองค์มีอยู่เป็นอันมากแต่ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยทรงบัรดาให้ขนมเพียงเล็กน้อย ที่เศรษฐีนำมานั้นไม่รู้จักหมวดสิน้นยังความอัศจรรย์ใจแก่เศรษฐีและปัญญาเป็นล้นพ้นเรื่องทานองนี้ไม่ต้องกล่าวถึงพระบรมศาสดาดอกพระสาวกธรรมดาที่ได้อภิญญาห้าแม้ยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสก็ทำได้อีกประการหนึ่งผู้มีทรัพย์มียศมีเกียรติหลงอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรตินั้นสาคัญมั่นหมายว่าโลกียสุขเท่านั้นคือสุขแท้ เป็นสุขที่ตนพึงสแสวงหาเมื่อยังไม่ได้ก็ดิ่นร้นสแสวงหาอย่างเอาตัวตนชีวิตจิตใจเข้าไปแลกเมื่อได้แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ชั่วเวลาหนึ่งใจก็รานหาความสุขอย่างใหม่ต่อไปแต่ล้วนเป็นความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นสิ่งอื่นจึงเหมือนความสุขของคนขอทานที่มีการสแสวงหามากมีปัญหามากส่วนความสุขของพระอริยเจ้านั้น ไม่ต้องมีการสแสวงหามากและไม่มีปัญหาจึงเป็นความสุขที่ประนีตกว่าสงบเยือกเย็นและเป็นไทยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตนเองเป็นอิสระอยู่เหนือการครอบงาของกิเลสพ้นเงื้อมือของมารดูก่อนผู้สแสวงหาสันติวรบทมนุษย์ในโลกควรศึกษาให้เข้าใจ ควรลองปฏิบัติสแสวงหาความสุขอย่างไม่อิงอาศัยอามิตรเป็นพื้นฐานของจิตใจไว้บ้างเพื่อได้ถอนตนออกมาได้โดยง่ายเมื่อความสุขชนิดที่ต้องอิงอาศัยอามิตรกลายเป็นพิษขึ้นมาเพราะความประมาทพลาดพลัง้งหรือเพราะเสวยสุข น, นมากจนเกินไปพระมหาโมคลานะได้อาศัยฤทธิ์ของตนช่วยเหลือพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่ ดังพนานามาชนีตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมาเศรษฐีและพัญญาได้สละทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์แก่ปูชนียบุคคลและสาธารณชนทั่วไปวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนาสรรเสริญคุณของพระมหาโมคลานเถระว่าไปฝึกเศรษฐีให้เป็นคนดีไม่กระทบกระเทือนศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะของเขา พระมหาเถระช่างมีอานุภาพมากและมีคุณน่าอัศจรรย์จริงๆพระบรมศาสดาเส ด, สเด็จมาธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่พิสูุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพิกษตทั้งหลายธรรมดาภิกษุผู้ฝึกสกุลพึงเป็นผู้ไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะไม่ทาให้สกุลชอกช้ำไม่เบียดเบียนเขาเป็นดุลแมลงผู้ เคลาวเอาเกสรดอกไม้ภิกษุทั้งหลายมุนีพึงเข้าไปสู่ทํานองเดียวกับมแมลงผู้ไม่ทําดอกสีและสันฐานกลิ่นให้ชอกชำ้ำคือเอาแต่รถแล้วบินไปฉะนั้นไม่ทําให้สกุลชอกชำ้ำช่างเป็นพระวาจาที่แสดงความปรานีและความหวังประโยชน์ต่อตระกูลเซนิกรยัยเพราะธรรมดาชาวบ้านชาวเมืองมีความชอกช้าเป็นปกติอยู่แล้ว ต้องลำบากยากเข็นในการหาทรัพย์เป็นหลักหนาเพื่อนํามาหล่อเลี้ยงชีพตตนและคนใกล้เคียงเกี่ยวข้องบุตรพันยาสามีญาติพี่น้องทั้งฝ่ายตนและฝ่ายพันยาสามีเพื่อนฝูงมิตรสหายผู้สูงอายุซึ่งเคยมีอุปการะคุณต่อกันงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆอีกเช่นบําบัดอันตรายอันเกิดจากเหตุต่างๆมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้น เสียภาษีอากรบำรุงประเทศทำบุญในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบอุดหนุนผู้เสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองด้วยภารกิจอันมากมายดังกล่าวนี้ครวทจ่งมีรายได้ไม่เพียพอรายจ่ายแต่ต้องอดทนอดออมเพื่อสร้างฐานะอนาคตบางคราวให้มิสหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยืมไปก่อนเห็นว่าเขากำลังละบาก ให้ไปได้จิตเมตตากรุณาปราถนาสงเคราะห์เขาแต่แล้วเขาตอบแทนด้วยไม่ยอมใช้หนี้สินเจ้าของทรัพย์ก็ได้จะชอกช้ำใจบางคราวต้องชอกช้ำด้วยการทูกพัดพลากจากบุคคลอันเป็นที่รักบางคราวต้องเดือดร้อนกับการต้องอยู่กับศัตรูเหมือนมีงูพิษอยู่ใกล้ตัวต้องระวังระไวตลอดเวลาคราวาดมีเรื่องชอกช้ำมากดังที่พนาน า, าโดยย่อนี้แล้ว ถ้าสมณะผู้เข้าไปสู่สกุลทําให้สกุลชอกช้ำเข้าอีกพวกเขาจะไปพึ่งใครและจะได้ใครเป็นหลักแห่งชีวิตเล่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้ช่วยที่ดีและความกล้าหาญเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ของพระมหาโมคลานะคือคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะปราศาสตร์ของวิสาขามิคารมาดาในปุปพารามนครสาวัตถีวันอุโบสถวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสงฆ์เพื่อทรงแสดงโอวาทปาธิโมกแต่ทรงประทับนิ่งเฉยอยู่จนล่วงปฐมยามไปแล้วพระอานน์เทระได้ลุกจากอาสนะ เขาทำผ้าห่มเฉวียงบ่าประคองอัญเชลีกลาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วปฐมยามล่วงไปแล้วภิกษุสงนั่งรอนานแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงพระปาฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิดเมื่อพระอนุ์กลาบทูลทางนี้พระศาสดาก็ยังคงประทับนิ่งเฉยอยู่จนล่วงมัชิมยาม พระอนุ์ก็กราบทูลดังนั้นอีกพระตถาคตเจ้าก็คงประทับเฉยจนล่วงปัจจิมยามจวนรุ่งอรุณพระอนุ์ได้กราบทูลอีกครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าอานุ์ในที่ประชุมสงนี้มีภิกษุผู้ไม่บริสุทธ์รวมอยู่ด้วยเมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสเพียงเท่านี้พระมหาโมคลานะได้กาหนดจิตพิจารณาภิกษุสง ซึ่งร่วมประชุมกันอยู่ณที่นั้นได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ทุศีลมีธรรมสามมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทาซึ่งปกปิดไว้มิใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะมิใช่พรหมจารีปฏิญาณตนว่ า, เ ป, า, ป า, วาเป็นพรหมจรีเป็นคนเน่าในมีกิเลสร้ายสางทยากเหมือนกองอยากเหยื่อ นั่งอยู่ท่ามกลางพิสุสงฆ์พระมหาโมคคลานะเข้าไปพูดกับพิสุนั้นว่าลุกขึ้นเถิดอาวุโสพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นท่แล้วแต่พิสุนั้นยังคงนั่งเฉยอยู่พระมหาโมคคลานะพูดดังนั้นถึงสามครั้งภิกษุปุถุสินก็ยังคงนิ่งเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่เข้าใจพระมหาโมคคลานะพูเลิศทางลิศ ตัดสินใจจับแขนพิษุนั้นคล้าออกไปทิ้งไว้ที่ภายนอกซุ้มประตูแล้วใส่กรอนโรงอุโบสถกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระสุคตเจ้าบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์ข้าพระองค์ฆล้าออกไปแล้วบัดนี้ภิษุบริสัทธ์บริสุทธิ์แล้วขอพระองค์จงแสดงพระปาฏิโมกข์แก่ภิษุทั้งหลายเถิดพระสากยมุนีตรัสว่าอัศจ ร, จริงโมฆลานะ หนักหนาจริงโมฆารนะโมฆะบุรุษผู้ว่างเปล่าจากคุณธรรมนั้นถึงกับท่องคล้าแขนกันออกไปดังนี้แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายณที่นั้นว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทําอุโบสถไม่สวดปาติโมกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเธอนั่นแหละจงทําอุโบสถสวดปาติโมกกันเองภิกษุทั้งหลายเป็นการไม่เหมาะสมไม่สมควร ที่ตถาคตจะพึงธทมอุโบสถสว ด, ดปาติโมกร่วมกับภิกษุบริสัทธ์ผู้ไม่บริสุทธิ์พระศาสดาตรัสชี้แจงเรื่องที่ไม่ทรงสวดปาติโมกดังนี้แล้วตรัสถึงความอาัศจรรย์แห่งธรรมวินัยแปประการเทียบ้วยความอาัศจรรย์แห่งมหาสมุทรดังต่อไปนี้ 1>, 1. มหาสมุทรลาดลงตามลําดับเลิกลงตามลําดับไม่โคลงชันเหมือนภูเขาขาดชันใดธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาและการปฏิบัติการบรรลุผลตามลําดับ 2. น้ําในมหาสมุตรย่อมไม่ล้นฝั่งแม้จะมีสายน้ําจากแหล่งต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรเป็นอันมากชันใดในธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้น สาวกของเราย่อมไม่ล่วงสิขาบทที่เราบัญญัติไว้แล้วแม้จะต้องสูญเสียชีวิตก็ตามสา ม, มหาสมุทรย่อมไม่อยู่กับซากศพย่อมซั ด, ซ ด, ซดซสาซากศพขึ้นสู่ฝั่งโดยเร็วฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นบุคคลใดทุศีลมีทมสามสงย่อมไม่ยอมอยู่ร่วมกับบุคคลฉะนั้นย่อมประชุมกันขับไล่เสียจากหมู่ภิกษุผู้ทุศีลฉะนั้น แม้อยู่ท่ามกลางสง์ก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลสงแม้สงก็ชื่อว่าห่างไกลจากบุคคลเช่นนั้นสี่มหานฑีทั้งหลายเมื่อไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละนามของตนถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นวันณะทั้งหลายอาทิกวนันกษัตริย์เมื่อออกบวชแล้วย่อมละนามและโคลดเดิมของตน ถึงซึ่งการนับว่าเป็นสมณะสาคยะบุตรเสมอเหมือนกันหมด 5. ้าสายน้ำจากแหล่งต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรอยู่เสมอทั้งจากฟากฟ้าและจากพื้นดินแต่ความพล่องหรือความเต็มย่อมไม่ปรากฏฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นแม้จะมีภิกษุเป็นอันมากบริณิพานด้วยอนุภาติเสสนิพานธาตุไปแล้วแต่ความพ่องหรือความเต็ม หาปรากฏแก่นิพานธาตุนั้นใหม่ 6. มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรสความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง 7. มหาสมุทรมีรัตนะเป็นอันมากฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉะ น, นั้นมีรัตนะคือธรรมเป็นอันมากอันเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญ ทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้า 8. มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของพูดคือสัตว์ใหญ่ๆเป็นอันมากฉันใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเป็นที่อาศัยของพูดคือบุคคลใหญ่ๆเป็นอันมากเช่นพระโสดาบันเป็นต้นภิกษุทั้งหลายพูดคือสัตว์ทั้งหลายได้เห็นความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรทั้งแปดประการ น, นี้แล้วย่อมอภิรม์ต่อมหาสมุทรนั้นฉันใด พูดคือบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบัานเป็นต้นได้เห็นความอัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัยแปดประการนี้แล้วย่อมอภิรมพอใจต่อธรรมวินายนี้ฉะนั้นพระศ า, ศาสดาทรงเปล่งพระอุทานในขณะนั้นว่ากิเลสย่อมครอบงำคำทราบภิกษุผู้ปกปิดอาบัติไว้แต่ไม่ครอบงำคำทราบภิกษุผู้เปิดเผยอาบัตเพราะฉะนั้นควรเปิดเผยอาบัต ด, ด้วยอาการอย่างนี้ กิเลสจากครอบนาไม่ได้ดูก่อนผู้สแสวงสันติวรบทตั้งแต่บัดนั้นมาพระาศาสดาไม่ได้ทรงกระทําอุโบสถสวดปาติโมกร่วมกับภิกษุทั้งหลายอีกเลยแต่ต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งว่าพระปาติโมกที่พระาศาสดาทรงสวด น, นั้นหมายถึงโอวาทปาติโมกไม่ใช่ภิกขุปาติโมกโอวาทปาติโมกคือพระธรรมอันเป็นหลักสําคัญส่วนภิกขุปาติโมก คือพระวินัยอันเป็นหลักให้พิสุอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจกันในเรื่องศีลเรื่องวินัยอีกเรื่องหนึ่งอันแสดงถึงความเป็นผู้มีประโยชน์เกื้อกูลต่อพุทธบริษัทของพระมหาโมคคลานเถระแม้ในงานนวกรรมก่อสร้างดังเรื่องต่อไปนี้วันหนึ่งหลังจากพระทศพล ส, สัมมาสัพพุทธเจ้าสเสวยที่บ้านของอนาถปิณิกเศรษฐีแล้ว เสด็จบายประพักไปยังประตูด้านทิศอุดรมีพระประสงค์จะเสด็จไปโปรดบุตรเศรษฐีคนหนึ่งคือพัทยะในพัตยานะครเพราะได้ทรงตรวจพิจารณาเห็นอุปนิสัยสมบัติของบุตรเศรษฐีนั้นตามปกติธรรมดาของพระศ า, าสดาเป็นดังนี้คือถ้าสเสวยที่บ้านของอนาถปิธิกเศรษฐีก็จะเสด็จออกทางประตูด้านทิศทักษิณแล้วเสด็จไปประทับณนะเชตวนาราม ถ้าเสวยที่บ้านของนางวิสาขาก็จะเสด็จออกทางประตูทิศปลาจีนแล้วเสด็จประทับนะปุปพารามของนางวิสาขาคลาใดที่พระพุทธองค์เสด็จบ่ายหน้าทางทิศอุดรผู้คุ้นเคยก็จะทราบในทันทีว่ามีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นๆตามที่ทรงประสงค์วันนั้นนางวิสาขามหาอุบัสสิกา เห็นพระสถาคขเจ้าสวยที่บ้านของอนาถปินทิกรเศรษฐีแล้วเสด็จบายพระพักไปทางทิศอุดรจึงรีบไปเฝ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าขา้ามอมฉันบริจาคทรัพย์จํานวนมากสร้างวิหารถวายพระองค์และพิสุสง์ขอพระองค์และพิสุสง์ได้โปรดเสด็จกลับเถิดพระเจ้าขา่าวิสาขาธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรอยู่ที่เดียวนานเกินไป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 ธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรอยู่ที่เดียวนานเกินไปการไปคราวนี้นานหลายเดือนนางวิสาขาคิดว่าพระาศาสดาตรัสดังนี้คงได้ทรงพิจารณาเห็นใครสักคนหนึ่งผู้สมบูรณ์ด้วยอบปนิสัยสมบัติที่พระองค์ควรจะโปลดเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วกราบทูลว่าถ้ากระนั้นขอพระองค์ได้รับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งผู้เข้าใจในงานก่อสร้างอยู่ก่อนเถิดพระเจ้าค ถ้าพอใจพิสูุรูปใดอยู่ก็จงรับบาทของพิสูุรูปนั้นเถิดวิสาขาความจริงนางพอใจในพระอนุลเพราะมีความสนิทสนมคุ้นเคยและเคารพรักเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อคำนึงถึงงานที่จะต้องทำให้สำเร็จโดยเร็วนางคิดว่าพระมหาโมคคลานะผู้เลดดิศใดลิ์นั่นแหละจะยังประโยชน์นี้ให้สำเร็จได้ดีวดกว่าจึงรับบาพระมหาโมคลานะพระมหาเทระมองดูพระาศาสดาเป็นเชิงว่า พระพุทธองค์จะทรงอนุญาตการกลับของท่านหรือไม่เพราะผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะเธอและบริวารจะ ก, กลับเถิดเพื่ออนุเคราะห์วิสาขาด้วยอนุภาพของพระมหาเถระคนงานที่ไปนขนไม้และหินในแดนไกลแม้ตั้งห0 6สิบกสิบโจทย์ก็ขนเอาไม้และหินมาทันในวันนั้นคือไปมาในวันเดียวการยกไม้ยกหินใส่เกวียนก็ไม่ลำบากเผาเกวียนไม่หัก ไม่นานเลยก็สร้างปราสาทขึ้นสองชั้นเสร็จปราสาทนั้นมีพันห้องชั้นบนห้าร้อยห้องและชั้นล่างห้าร้อยห้องการก่อสร้างเสร็จในเก้าเดือนพระศาสดาเสร็จจาริกประชนบทต่างๆในคราวนั้นรวมเวลาเก้าเดือนแล้วเสด็จกลับละครสาวัตถีวิสาขาทราบข่าวนั้นแล้วรีบไปเฝ้าอารัธนาให้เสด็จประทับนวิหารที่ตนสร้างใหม่ด้วยวาจาว่า พระเจ้าค่าขอพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์ประทับในวิหารของข้าพระองค์ตลอดเวลาสีเดือนเถิดหม่อมฉันจักทาการฉลองประสาทพระศาสดาทรงรับอารัธนาของนาวิสาขาดูเถิดดูผู้มีอัตฉรยาสายปราณีตมีจิตใจน้อมไปในบุญกุศลย่อมสแสวงหาโอกาสทําบุญกุศลอยู่เสมอเพราะอนุศ์ถึงพระพุทธพจน์ที่ว่า ช่างดอกไม้พึงทําพวงดอกไม้ให้มากขึ้นจากกองดอกไม้ฉันใดสัตว์ผู้เกิดแล้วและมีอันจะต้องตายเป็นธรรมดาพึงสั่งสมบุญกุศลฉันนั้นดูก่อนผู้แสวงบุญอันบุญกุศล น, นั้นองค์พระศา ส, าสดาทรงเปรียบเสมือนพวงดอกไม้เพราะว่าอันว่าพวงดอกไม้นั้นน่าทัศนาเบิกบินหอมชวนชื่นใจฉันใดบุญกุศลก็ฉันนั้น เป็นสภาพัน่าชื่นใจมีผลน่าชื่นใจคนมีบุญจึงเป็นผู้ที่น่าทศนาน่าชื่นใจสำหรับผู้เข้าใกล้แม้ได้ยินกิติศัพท์ก็ก่อให้เกิดป่าโมดบุญย่อมคำจัดภัยต่างๆบุญอาชนะอุปสรรคต่างๆการสั่งสมบุญจึงเป็นการสั่งสมที่ประเสริฐ